ถ่ายของเราในวัยเด็กมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของเราในวันนี้มไหมถรามาเปรียบเทียบดูเห็นเลยนะว่าเราเมื่อวัยเด็กกับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนละคนกันเลยที่จริงมันไม่ใช่เหมือนนะมันเป็นจริงๆนะคือเป็นคนละคนกันไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างรูปร่างหน้าตา หรือแม้กระทั่งนิสัยใจคอความรู้สึกนึกคิดซึ่งแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกจากภาพถ่ายนะแต่เราก็พอจะนึกภาพออกว่าตอนเป็นเด็กกับตอนนี้เนี่ยนิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างไรความคิดความอ่านแตกต่างกันเพียงใดมันชัดเลยนะว่าเราเมื่อก่อนกับวันนี้มันคนละคนกัน ทั้งร่างกายก็จิตใจแม้ก็ทั้งตอนนี้เนี่ยบางครั้งบางเวลาบางจังหวะเราก็เหมือนกับเป็นคนละคนไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไปสา4สิบสี่สิบปีวันเดียวกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นอื่นได้ก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเจอลูกเนี่ยนะ เอากับกิริยาของเราความพูดของเราก็แบบหนึ่งแต่วันเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราได้เจอพ่อเจอแม่เนี่ยเอากับกิริยาของเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งน้ำเสียงก็อีกแบบหนึ่งเพราะว่าพอเจอหรืออยู่กับพ่อแม่นี่เราก็กลายเป็นลูกไปแล้วเมื่อเหมือนกับตอนที่เราอยู่กับลูกนะเราก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่ ความรู้สึกของตัวเองในยามที่เป็นลูกกับในยามที่เป็นพ่อแม่แม้จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันนี่มันมันก็ไม่เหมือนกันนะเวลาอยู่กับลูกสํานึกในความเป็นพ่อเป็นแม่หรือความรู้ความสองความหมายว่าเนี่ยฉันคือพ่อฉันคือแม่เราก็พูดอย่างหนึ่งน้ำเสียงอย่างหนึ่งหน้าตาอย่างหนึ่งไม่ต้องความคิด แต่พอเราอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ความรู้สว่าฉันคือลูกมันก็พาเราพูดพาเราทมพาเราแสดงออกอีกแบบหนึง่งอาจจะอ่อม น, น้อมถ่อมตัวไม่ขึงขังเหมือนเวลาอยู่กับลูกอาจจะทำตัวเหมือนกับลูกแง่เลยก็ได้นะเคยเห็นวิดีโอนะ ยิงอายุ80เนี่ยเวลาเจอแม่อายุร้อยหนึ่งนี่กลายเป็นคนละคนไปเลยนะไม่เหมือนกับตอนที่เธอเนี่ยเจอลูกลูกอายุห้าสิบพูดกับลูกแบบหนึง่งแต่เวลาเจอแม่อายุร้อยหนึ่งนี้อีกแบบหนึ่งเลยนะกลายเป็นเด็กไปเลยทั้งที่อายุก็80กว้าแล้วเพราะว่าแม่อายุ80ก็ยังเป็นเด็กในสายตาของแม่ อเดียวกันนเวลาเราอยู่กับลูกน้องเนี่ยเราก็มีกับกิริยาแบบหนึ่งท่าทางก็แบบหนึ่งเดี๋ยวเพราะถ้าเป็นลูกน้องนี่เป็นข้าราชการเราเป็นผู้ใหญ่เราก็า จ, จะมีน้ำเสียงนะเรียวกว่าห้วนผู้ท่วน แต่พอเราไปเจอเจ้านายซึ่งแน่นอนนะก็มีอา ย, ยุมากกว่ามีตำแหน่งสูงกว่าเราก็กลายเป็นอ่อนน้อมเลยไปนะบางคนก็พี่นอดพี่เทาไปเลยที่เคยยืนเท้าเสีเอวตอหน้าลูกน้องก็กลายเป็นกลุ่มมือนะกลุมกลุมมือต่อหน้าเจ้านาย กลายเป็นคนละคนไปเลยทั้งเดียวกันได้เวลาอยู่กับนักเรียนหรืออยู่กับลูกศิษย์เนี่ยนะความสําคัญแมเหมาวาฉันเป็นครูก็ทําให้ปฏิบัติกับลูกศิษย์ด้วยน้ําเสียงด้วยอากับกิริยาหรือแม้กระทั่งความคิดเนี่ยแตกต่างจากเวลาที่ไปเจอครูบาอาจารย์พอไปเจอครูบาอาจารย์เขานะโออายทําตัวให้นักเรียนเลยอ่อนน้อมนะ ยิ่งเคยเกรงกลัวครูคนนั้นมาก่อนนะก็ยิ่งสูภาพถ่อมตัวเข้าไปใหญ่เทียบกับตอนที่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์แล้วนี่นกลายเป็นคนละคนไปเลยทั้งที่เหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือว่าห่างกันไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงที่ยิงอย่าว่าแต่อะไรเลยนะคนที่เป็นแฟนกันเนี่ย พอกลายไปเป็นสามีภรรยากันเดี๋ยวพอถ้าอยู่กันได้สักระยะหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนละคนไปเลยนะตอนเป็นแฟนกันแหมพูดจาอ่อนหวานเอาอกเอาใจแต่พอเป็นสามีภรรยาเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเหมือนกับหนังคนละมวลเรียกว่ากลายเป็นคนละคนไปเลย แต่นั่นมันเป็นการเป็นระยะเวลาที่ห่างกันที่ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้แต่ตัวอย่างสองสามตัวอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่เรากลายเป็นคนละคนเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกหรืออยู่ต่อหน้าพ่อแม่อยู่ต่อหน้าลูกศิษย์หรืออยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ อยู่ต่อหน้าลูกน้องหรื อ, อต่อหน้าเจ้านายไอ้การที่เรากลายเป็นคนละคนเนี่ยนะส่วนหนึ่งมันก็ช่อเห็นนะว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันที่เที่ยงแท้มันไม่มีไอ้การที่ความสำคัญบ้านหมายในตัวตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเลื่อนไหลายเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม มันก็แสดงว่าตัวกูไม่มีอยู่จริงนอะไอ้ตัวกูก็เป็นแค่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาขึ้นอยู่เหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกแต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดที่มันพูดมันชัดเจนนะที่เห็นได้ง่ายคือว่าคนเราเนี่ยสามารถจะกลายเป็นคนอื่นหรือกลายเป็นคนละคนได้ ส่วนนึ่งก็เพราะว่าสถานภาพบทบาทแตกต่างกันมันก็ปรุงแต่งให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งเรียกว่ากลายเป็นคนละคนเงี้ยแต่มันไม่ใช่แค่สถานภาพบทบาทนะที่ปรุงแต่งให้คนหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่ง มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำอย่างนั้นได้เช่นอารมณ์เนี่ยคนพออารมณ์ดีก็อารมณ์โกรธนี่ก็แตกต่างกันนะแม้กระทั่งหน้าตาก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยไม่ต้องพูดถึงอากับกิริยาคนบางคนนี่ยจริงๆก็หลายคนนะในยาปกติก็เรียบร้อยอาจจะมีน้ำ อ, อกน้ำใจพูดจาสุภาพแต่พอโกรธเนี่ย กลายเป็นคนหนึ่งไปเลยอาจจะอาระวาททำร้ายเข้าของพอหายโกรยเข้าสงสัยไว้เราทำอย่างนั้นได้ยังไงนะไม่คิดว่าเร า, เราจะเป็นอย่างนั้นได้ก็มันเป็นไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นกลายเป็นคนหลบคนไปแล้วเวลาเศร้าก็เหมือนกันนะคนบางคนเนี่ย ถ้าไม่เจอความเศร้าเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้ความเศร้ามันเปลี่ยนให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้บางคนซึมเศร้าจนกระทั่งไม่อยากอยู่ในโลกเนี่ยทน้งที่ตอนที่ไม่ไม่เศร้าไม่ซึมนี่ยโอ้ยยิ้มย้มแจ่สายร่าเริงเบิกบานแต่พอความโศกเศร้ามันเกิดขึ้นครอบงําใจเี่ กลายเป็นอีกคนไปเลยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างเปลี่ยนไปหมดเลยคิดถึงแต่ว่าจะฆ่าตัวตายพอหลุดจากอารมณ์นันมาได้เนแบกใจว่าคิดมาได้ยังไงคนที่กินเหล้าเมาไม้ก็เหมือนกันนะมันก็มีผลต่ออารมณ์เหมือนกันบางคนเนี่ยตอนที่เหล้ายังไม่ยังไม่ได้ ถึงท้องเนี่นะสุภาพเรียบร้อยแต่พอกินเหล้าเข้าไปนี่เอะอะโวยวายตอว่าดาทอเก้าร้าวเขาจึงเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยแค่นั้นมันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยแล้วมันไม่ใช่แค่เหล้านะที่เปลี่ยนนิสัยคนหรือเปลี่ยนให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึก คนบางคนเนี่ยพอเกิดราคาขึ้นมาหน้า ม, มืดนี่มันกลายเป็นคนหนึ่งไปเลยนะอาจจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวรุนแรงกลายเป็นคนที่ใช้กําลังนะกับผู้ที่เป็นเบี้ยล่างหรือผู้ที่เป็นเป็นเหยื่อนะอย่างที่ชาติไม่ถึงเลยมันก็มีเยอะนะคนที่ดูเรียบร้อยแต่พอเกิดราคาขึ้นมาหน้า ม, มืดกลายพวกซาดิสไปเลย แล้วก็ตัวเองก็ห้ามใจไม่ได้คุมตัวเองไม่อยู่เพราะมันกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วบางทีเราก็เรียกว่ามันถูกผีเข้าสิงนะผีก็มีหลายอย่างผีราคะผีโทสะผีการพนันก็เหมือนกันพอมันเข้าสิงนี่ก็กลายเป็นอีกคนไปเลยซึ่งอันนี้มันก็พอมไปกระตุนกระตุนตันหากระตุ้นโลภะ พอโลคับผองใจก็กลายเป็นคนไปเลยไม่มีความคิดความอ่านแต่ก่อนมีความฉลาดมีความคิดความอ่านดีแต่พอเจอไอ้ผีการพนันเข้าสิงนี่น้า ม, มึดไปเลยไม่ไม่สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณได้ถูกเขาหลอกหรือบางทีก็เกิดความก้าวร้าว หรือบางทีก็เห็นผิดเป็นชอบเงินไม่พอก็ลักขโมยไปไปป้นไปจี้เพื่อได้มีเงินไปเล่นการพ น, นันทุจริตก็ยอมนี่เรียกว่าการเปนอีกคนไปเลยนะเพราะอารมณ์ทึ่งแน่นอนก็เพราะมีสิ่งเรามีพ่อเพื่อนนะโอ้ลูกสาวนี่เธอทูนพ่อมากพ่อเป็นคนรักครอบครัว รักลูกแต่พอพ่อเนี่ไป็นหลงผู้หญิงไปมีเ ม, ม่น้อยนี่ปเปลี่ยนไปแลวกลาเป็นคนละคนเลยทำร้ายเมียหลวงแล้วก็รุนแรงต่อลูกส่วนก็เพราะว่าลูกก็ผิดหวังในตัวพ่อต่อว่าพ่อพ่อก็เลยโกรธบางทีก็ใช้กำลังกับลูกสาวอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ก, ก่อน อันนี้ก็เป็นความน่ามึนอีกแบบนึงอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็หรือว่ากิเลสเหล่านี้มันก็ทําให้คนเรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้แต่ตดที่ยังไม่รู้จักอารมณ์นั้นก็ไม่รู้สึกนะว่าเรากลายเป็นอื่นไปแล้วแต่ถ้าเกิดรู้จักอารมณ์นั้นเมื่อไหร่นี่ก็จะสงสัยกูทําไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ใช่แค่อารมณ์เยอะนะสถานการณ์ก็มีส่วนนะแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะ เพราะที่จริงอาสถานการณ์กับอารมณ์มันก็สัมพันธ์กันเช่นถ้าสูญเสียของรักมันก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรถ้าเกิดเจอความผิดหวังมันก็อาจจะเกิดความโกรธแค้นแล้วคนเราก็มันเลือกไม่ได้นะว่าจะเจอหรือไม่เจออะไรบางทีชีวิตมันก็ราบเรียบมาตลอดจนกระทั่งเจอเหตุร้าย ที่ทำให้ผิดหวังอย่างรุนแรงยังมีพู้หิงคนหนึ่งเนี่ยก็ครอบครัวก็อบอุ่นเธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนกระทั่งใครๆก็ชมว่าเธอมนี่เหมือนกับนางฟ้าต่อมาก็แต่งงานการแต่งงานนี้ก็รักสามีดูแลใจใส่ แล้ววันหนึ่งสามีเนี่ยมาขอเลิกเพราะว่าบอกว่ามีผู้หญิงคนอื่นแล้วขอเลิกอยู่กันมาได้แปดปีอุ้เธอสติแตกเลยนะโกรธมากทั้งโกรธแล้วทั้งเกลียดเกลียดทั้งสามีแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นในใจเนี่ยคิดจะเผาเผาบ้านของสองคนนั้นให้มันวายวอดไปเลยมันคิดจริงจังมากนะแต่ว่าเดชชอบุญนะไม่ได้ทําอย่างที่คิด แต่พออารมณ์โกรธมันขี้คลายลงเนี่ยล้วก็แปลกใจฉันคิดไปได้ยังไงนะเคยรู้สึกว่าเคยภูมิใจตัวเองนี้เป็นคนที่เรียบร้อยเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนสุภาพแต่ทำไมเนี่ยถึงถึงคิดจะไปทำร้ายเผาบ้านเผาเรือหรืออาจจะอยากให้เขาชิบหายวายวอดไป มันแปลกใจตัวเองนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองแล้วล่ะมันกลายเป็นอีกคนไปแล้วเรียกว่ากลายเป็นเรืยกวถูกมานเข้าสิงกันเลยซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะคนเวลาผิดหวังแล้วไม่ใช่แค่ผิดหวหังอเดียวซูญเสียก็เหมือนกันนะสูญเสียพอซูญเสียก็เศร้าโศก ที่เคยเป็นคนที่เข้มแข็งมัน่คนคงก็กลายเป็นอ่อนแอบางคนเกลียดเหล้าก็สุดท้ายก็ไปกินเหล้าจนเมาไม่อย่างที่ว่าเสียผู้เสียคนกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยนี่ก็เพราะเจอความสูญเสียความแก่นีก็มีส่วนนะคนเราเนี่ยตอนที่หนุ่มสาวนี่ก็มันก็มีความคิดแบบหนึ่งความรู้สึกแบบหนึ่ง แต่พอแก่เข้าไปความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมีเพื่อนคนนึงเนี่ยตอนที่ยังสาวนี่คนเข้มแข็งมากเป็นคนกล้านะไม่ค่อยไม่เคยเจอคนที่เข้มแข็งมั่นคงเท่าไหร่แล้วก็กล้าด้วยแต่พอแก่นะแก่ก็ไม่แก่ไม่มากนะอายุหกสิบกว่านี่กลายเป็นอีกคนไปเลยจะพูดเรื่องความตายนี่ไม่อยากฟังเลยนะ ทั้งที่มันเป็นวัยที่ควรจะนึกถึงความตายเลยล่ะแต่เวลาพูดถึงเรื่องมรณะสตินี่นไม่อยากฟังเลยมันกลัวอิตใจมันวันไหวมันเสียวสยองนี่เป็นพ่ออะไรนะส่วนเป็นพ่อวัยคนเราพอแก่ตัวเนี่ยเคมีบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะไม่เหมือนตอนเป็นหนุ่มเนี่ยนะมันฮอมมวมันทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา แล้วก็มีส่วนทำไม้เกิดความร่าเริงเบิกบานแต่พอแกเคมีมันเปลี่ยนหดหูห่อเหี่ยวยิ่งเจ็บป่วยด้วยนะเจ็บป่วยนี่มันก็ทำให้รู้สึกถึงรสชาติของทุกขเวทนาพอไปนึกถึงว่าต่อจะตายนี่จะเจอเวทนารุนแรงแค่ไหนก็ยิ่งไม่อยากนึกอีกอย่า ง, งคือตอนยังหนุ่มสาวเนี่ยมันห่างไกลจากความตายแต่พออายุ60 70แล้วมันใกล้ความตาย มันเลือกเป็นของจริงแล้วก็เลยไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินอันนี้ก็เหมือนกันนะการเป็นอีกคนไปเลยจะพูดเรื่องมรณะสติจะพูดยังไงก็อุถูไม่อยากฟังเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะคนบางคนพอเจ็บป่วยจะหลอกลายนี่กลายเป็นคนไปเลยมีนายทหารคนนึ่งนะตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยนะโอ้แก่กล้ากล้าและแกข่งมาก เคยได้ยินค่าวว่ามีทหารฆ่าตัวตายแต่ถึงก็พูดว่าเนี่ยชายชาทหารเขาไม่ฆ่าตัวตายกันหรอกคนเราเนี่ยไม่ว่าเจอความทุกข์ยังไงมันต้องสู้เอาชนะให้ได้ใครที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารแต่ผ่านไป20 30, 30 20ปี20ปีได้เนี่ยเป็นมะเร็งพออาการเริ่มหนักเข้าสุดท้ายฆ่าตัวตาย ทีลแรคนไม่เชื่อนะว่จะฆ่าได้ยังไงก็ เ, เคยพูดว่าเนี่ยชายชาถาไมได้ฆ่าตัวตายไอ้ที่พูดนี่ยมันคนเดิมนะแต่ว่าตอนที่ป่วยเนี่ยมันกลายเป็นคนใหม่ไปแล้วมันไม่ใช่คนเดิมแล้วมันกลายเป็นคนละคนไปแล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะคิดสั้นแบบนั้นไอ้คนเราตอนสุขภาพดีมันก็มันก็มีความกล้านะมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะเผชิญกับอะไรต่ออะไรแต่พอป่วยเขานี่ ไอที่คิดเอาไว้มันลืมหมดแล้วถึงที่คิดว่าจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยเผชิญกับเหตุร้ายได้มันก็ไม่ได้ผลอย่างมีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะแกคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดว่าตัวเองเมีธรรมะพอตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชื่อดังสนใจธรรมะมาเยอะ ที่ว่าถ้าป่วยเนี่ยก็จะเอาอยู่นะแต่ว่าพอป่วยเข้าจริงไอ้ธรรมะที่ได้ยินในฟังมา น, นี่เอาไม่อยู่เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่แค่ได้ยินนะมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่เอามาปฏิบัติเพราะนี่ใครที่คิดว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยฉันถ้าฉันเจออะไรเนี่ยฉันจะเอาอยู่เพราะว่าฉัน มีความมั่นใจมีความมั่นคงมีธรรมะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เจอของจริงก็ได้เพราะว่าถ้าเจอของจริงพอเจ็บป่วยเขาจริงๆเนี่ยหรือเจอความสูญเสียเขาจริงๆนี่ไอ้ที่มีอยู่มันเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเพียงแค่ความคิด เวลาเราได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มันทำให้เราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าคิดว่าฉันมีประสบการมาพอแล้วฉันมีธรรมะมาพอแล้วเอาอยู่ถ้าธรรมะนี่เป็นเนบงแค่ยินได้ฟังนี่มันมันไม่พอนะมันต้องปฏิบัตินั้นในขณะที่เราคิดว่าเนี่ยไม่ว่าเจออะไรมาฉันพร้อมแล้วเนี่ย อันเนี้ยยังเรียกว่ายัางประมาทอยู่เพราะว่าถึงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะไม่ใช่คนเดิมแนละ้วเราเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่เหมือนเดิมเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็เลยทำไงนะก็ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท โดยเพราะการฝึกจิตนะแล้วก็จเจริญปัญญาด้วยจเจริญปัญญาคือว่าให้ถนัถึงความผันรวนปลุนแป ล, ปลนของชีวิตว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากความแก่ความพัดพราสูญเสียนะความเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นต้องเตรียมใจรับมือกับสิ่งเหล่านี้ แต่เตรียมใจนี่ไม่ใช่เพียงแค่นึกถึงเพียงแค่ว่ามันอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะมันต้องฝึกจิตด้วยนะโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราลับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในยามที่เจอเหตุร้ายได้ไอตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่กลายเป็นอีกคนหนึ่งหรือกลายเป็นคนละคนเนี่ยเพราะสติแตกตหมาถาเวลาเจอเจออารมณ์เจอเหตุร้ายเนี่ย ที่กลายเป็นคนลงคนเพราะสติมันแตกถ้าสติไม่แตกนี่นะก็จะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ไม่ไหลไปตามอารมณ์งนั้นถ้าเราทำรักษาหรือเจริญสติให้ดีเนี่ยนะเจอเหตุลายสติไม่แตกครองสติตั้งสติได้คลองตนได้สิ่งที่เรียนมาสิ่งที่รู้มามันก็เอามาใช้รับมือกับ สิ่งต่างๆรับมือกับปัญหาได้เรื่องน้อยเนี่ยก็ไม่ถูกให้ถูกอารมณ์ครอบงำไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าไม่ว่าจะรวมทั้งเวทนาด้วยต้องฝึกสติเพื่อที่จะรับมือกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ารับมือกับอารมณ์ได้เนี่ยเวลามันเจอทุกขเวทนามันก็ยังพอไหวอยู่แต่ถ้าไม่รู้ ไม่มีสติเท่าทันอารมณ์พอเจอทุกขเวทนาเขา้าก็เกิดความขับแค้นเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจเกิดความกลัวท่วมท้นเลยซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่ป่วยนั้นฝึกสติเอาไว้ในที่เรามีเวลาตอนนี้เราสุขภาพดียังมีกำลังวังชาแม้บางครั้งมันจะมีความเกลียดค้น หรือมันคิดว่าเ้ยฉันเอาอยู่ทำไมต้องมาฝึกให้มันมากกว่านี้ไอ้ที่คิดว่าเอาอยู่เนี่ยเป็นเพราะมันยังไม่เจอของจริง เ, เป็นเพราะว่ายังเป็นคนเดิมอยู่นะถึงเวลานี้มันกลายเป็นอีกคนไปแล้วและตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสติเอาไว้รับมือเนี่ยไอ้คนใหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่หมดความสามารถ แต่ถ้ามีสตินะั่นเราก็ยังยั ง, ยงอาจารยยังเป็นคนเดิมได้ที่ยังรู้ว่าจะรับมือกับเหตุร้ายอย่างไรดนั้นเนี่ยอย่าประมาทนะมีเวลาก็ฝึกจเจริญสติแม้มันจะมีความเบือ่อก็อย่าท้อถอยเพราะว่าถ้าเราฝึกสติเนี่ยมันคุ้มแน่นอนไม่มีคำว่าศูนย์เปล่า ถ้าเราไม่สามารถเอาชนะความเบื่อความง่วงได้ถึงเวลาเราจะเอาชนะไอ้ความคับแค้นความโกรธความเศร้าความเจ็บปวดได้อย่างไรนันก็ต้องฝึกเอาไว้นะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท